ตอนที่สามถึงไม่ร่ายมนก็สาธยายธรรมสาธยายเป็นจุดเริ่มจุดรวมงานของการปฏิบัติธรรม ท, ทีนี้มาศึกษาถ้อยคำกันหน่อยคำว่าสวดเนี่ยเราลองมาดูคำพระว่าได้แก่อะไรคำหนึ่งที่เราแปลว่าสวดคือสาธยายใช่ไหมอีกคำหนึ่งคือขายณะหรือขายนา ช่นสังคยาณาขยนาขยนาพร้อมกันคือสวดพร้อมกันแล้วก็คําเดียวกันคือขยานานี้ออกเป็นคีตัเป็นคีติซึ่งคนไทยได้ยินบ่อยอย่างสังคยาณาก็เรียกว่าสังคีติแต่โยมคงบอกว่าเอกีตัและคีติก็เป็นเพลงสิใช่แล้วสวดก็ใช่ร้องเพลงก็ใช่หรือขับร้องก็ได้ คือคำเดียวกันแปลออกมาเป็นไทยยักเยื้องไปได้ที่พูดเนี่ยหมายความว่าคำว่าสวดในภาษาไทยนี่เทียบภาษาทางพระเราใช้สำหรับคำบาลีสันสกฤตสองคำคือหนึ่งสาธยายซึ่งเราได้ยินกันบ่อยและสองคือขายนาขีตะขีติอภิขีติทั้งหมดนี้แปลว่าสวดได้ทั้งนั้นยางพระธรรมวัดค่าก็มีบทที่ขึ้นว่า อันธมยังพุทธาพิคีติงกโรมเสอภิคีติก็คือบทสวดชื่นชมนกร้องเจรอญเจ้าก็เป็นอภิคีตะแล้วยังมีอีกคำหนึ่งคือภาณะหรือภาณะจากคำกิริยาว่าภนณะเช่นสวดภานยักษ์สวดภานพระภาณะหรือภาณเนี่ยแปลว่าคำสวดก็ได้แล้วใช้ในเชิงกิริยาอาการ ก็เป็นพณนนาะแปลเป็นกลางๆงว่าการกล่าวท่านกล่าวแต่เราฟังว่าสวดอย่างพระสวดพระบริศก็ขึ้นว่าปริศตันตามพานามเสเอาละเป็นอันว่าเรามองจากไทยกลับไปทางบาลีว่าสวดมีคำว่าสันธยายแล้วก็มีขายนาขีตะคีติแล้วก็พันนาะภานะพานก็วนกันอยู่ในนี้ รวมเล่าสูดของไทยมักใช้กับสามสั์ของบาลีเริ่มด้วยสาธยายแปลว่าท่องแปลว่าทวนแปลว่าทานท่องก็ได้ทวนก็ได้ทานก็ได้ทีนี้คําบาลีว่าอย่างไรบาลีและสันสกฤต ต, ต้องดูทั้งคู่สาธยายบาลีเรียกว่าสัจฉายะไม่ค่อยเข้ากับลิ้นไทย คนไทยไม่ใช้แต่เราไปเอาสันสกฤตสันสกฤตว่าสวาทยายะออกเสียงยากพูดลำบากคนไทยก็ไม่ไหวอีกจะเอาอยัางไรดีสวาทยายะนี้เอายายะตัวท้ายเป็นยายเป็นสวาทยายแล้วก็ยังว่ายากจะทำอย่างไรดีเอาอย่างนี้สิก็ตัดสวาเหลือแต่สาให้ง่ายขึ้น สวาทยายก็มาเป็นสาทยายนิทางหนึ่งละแต่นั่นก็ยังไม่เต็มใจเหมืนนึกว่าที่ไปตัดของเขาเอาสวาเป็นสานั้นไม่ถูกนะแต่จะว่าสวาทยายก็ยากมีอีกทางหนึ่งคือแปลงสวัทเป็นสังวัตได้สังวัทยายค่อยถนัดหน่อยตกลงว่าสวาทยายของสันสกฤตเนี่ยไทยเอามาใช้เป็นสองอย่าง อย่างสั้นว่าสาธยายอย่างยาวว่าสังวัทยายมีใช้ทั้งสองอย่างแต่ที่ได้ยินบ่อยคือสาธยายทีนี้ที่ว่าสาธยายหรือสังวัทยายคือท่องทวนทานนั้นก็เนื่องจากว่าเรามีบทมีคำมีถ้อยความที่เราศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเช่นพุทธพจน์เรื่องที่ครูอาจารย์สอนกาชับไว้เราก็จึงท่องในเวลาที่ท่อง เราก็ว่าไปตามนั้นนี่คือสาธยายหรือสัจชายะสมัยก่อนนั้นไม่มีเครื่องบันทึกเสียงก็ต้องสาธยายเราว่าไปว่าไปจนกระทั่งจาได้เป็นอันว่าสัจชายะหรือสาธยายนั้นหนึ่งก็ท่องเพื่อให้จาได้สาธยายเพื่อให้จาได้ทีนี้ต่อไปเมื่อจาได้แล้วก็ทวน เวลานั่งอยู่คนเดียวหรืออยู่ว่างๆเราก็เอาบทที่จำได้นั้นซึ่งถ้าไม่ทวนก็อาจจะลืมเราก็เอาบทนั้นมาสะทยายอีกคือว่าไปตามนั้นแหละแต่ว่าซ้ำบทซ้ำเรื่องที่จำไว้แล้วก็เป็นทวนทีนี้ทานคืออย่างไรก็คืออยากจะรู้ว่าที่ท่านผู้นี้ท่องมานั้นจำมาถูกหรือเปล่าก็ให้คนอื่นฟัง เพื่อเป็นการตรวจสอบคนอื่นที่ฟังนั้นจะต้องเป็นคนที่แม่นอาจจะเป็นอาจารย์หรือที่ประชุมถ้าเป็นที่ประชุมผู้ฟังก็มาประชุมกันเอา้าท่านผู้นี้สาธยายมานะบทสวดนี้คำสอนนี้พระสูตรนี้เช่นว่าเอาพระธรรมจักรกับประวัตินสูตรนะว่ามาสิท่านผู้นั้นว่าไปสวดไปที่ประชุมก็ฟัง ตรงนี้ไม่ถูกคำนี้ผิดแก้ซะอะไรอะไรก็ว่าไปจนกระทั่งที่ประชุมทั้งหมดยอมรับจึงผ่านได้นี่ก็สาธยายจะเห็นว่าสาธยายนี้สำคัญนะักมีประโยชน์มากใช้โดยตรงในการศึกษาเรียกได้ว่าเป็นตัวนำเป็นแกนของการเล่าเรียนเพราะฉะนั้นในการศึกษาสมัยก่อนจึงถือสัจชายะหรือสาธยายนี้ เป็นกิจสำคัญเอาละคำว่าสัทยายเอาแค่นี้ก่อนพูดพอเป็นความรู้ประกอบไว้แล้วเรื่องเป็นมาอย่างไรเดิมนั้นความหมายที่แท้ของการสัทยายที่เรามาเรียกเป็นสวดมนต์เนี่ยคืออะไรการสัทยายมีความหมายและความมุ่งหมายที่แท้ว่ายอย่างไรที่เรียกกันว่าสวดมนต์นี้เดิมในพระพุทธศาสนาท่านใช้ทำอะไร ใช้เพื่ออะไรตอบง่ายง่ายว่าโดยหลักใหญ่ๆมีสองอย่างหนึ่งเป็นวิธีการศึกษาเป็นเรื่องของการเล่าเรียนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าการสาธยายแทบจะเป็นตัวแรกของปฏิบัติการในการศึกษาเล่าเรียนสาธยายก็คือบอกเล่าว่าให้ตรงตามข้อมูลที่ประสบที่ได้อ่านได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟัง ระบุบอกว่าข้อมูลไปให้ตรงให้เต็มตามลำดับอย่างที่ว่าแล้วสมัยนั้นไม่มีเครื่องบันทึกเสียงเมื่อจะบอกเล่าว่าให้แม่นให้ตรงแท้ก็มาเป็นท่องนี่คือต้องการความแม่นยำก็ต้องสาธยายว่าไปให้บ่อยก็เรียกว่าท่องจนกระทั่งจำได้แม่นไปเลยก็คือที่เรียกว่าท่องจำนั่นเองแล้วก็สาธยายทบทวนอีก แล้วก็มาทานตรวจสอบกันเป็นอนวุวาสามขั้นสาธยายจึงจะได้ข้อมูลแบบแผนที่แน่นอนลงตัวอย่างที่ว่าแล้วสาธยายใช้ในการเล่าเรียนศึกษาเป็นขั้นที่หนึ่งขอให้ดูในแนวของพูชงเราจะเรียนจะศึกษาปฏิบัติเช่นอย่างที่ตรัสไว้ในพระสูตรเริ่มแรกเราไปฟังอาจารย์มา เริ่มต้นเราทำอะไรเราก็มีสติระลึกนึกได้ก็คือจำคำจำความได้จับข้อมูลมาได้ถูกตรงครบก่อนดังที่พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างภิกษุไปฟังพระพุทธเจ้าหรือไปฟังอาจารย์ซึ่งเป็นพระภิกษุผู้ทรงคุณความรู้ท่านเทศท่านแสดงธรรมให้ฟังตัวเองเห็นว่าเป็นหลักเป็นฐานมีความหมายสาคัญก็จำมา แต่จำมาแล้วตัวรู้ความหมายยังไม่ชัดก็ไปในที่สงบหลีกเร้นในเวลาศึกษาหลีกเร้นก็เป็นข้อปฏิบัติอันหนึง่งเรามาดูวิธีการศึกษาสมัยโบราณในพุทธการท่านได้ฟังธรรมมาแล้วอย่างนี้ก็หลีกเร้นเข้าไปใต้ร่มไม้หรือสถานที่สงบพอเข้าที่แล้วก็เริ่มด้วยขั้นที่หนึ่งระลึกถึงนี่คือสติ ก็ระลึกนึกถึงคำสอนคำเทศที่ฟังมาเมื่อเย็นหรือเมื่อบ่ายจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ติดใจไว้ว่าท่านเทศดีเราก็มาระลึกคือทวนความจำนี่แหละที่ท่านว่าเข้ามาในป่าในดงไม้แล้วสาธยายเอาข้อมูลที่ต้องการที่จะใช้ขึ้นมาเรียงให้ครบให้ตรงก็คือทวนหรือทบทวน สติเป็นตัวสำคัญในการสาธยายเพราะว่าระลึกได้ก็คือจับเอาขึ้นมาได้ก็คือต้องจำได้นี่คือสติทั้งนั้นหยิบจับเอาขึ้นมาได้แล้วก็จับยกมาจัดเข้าที่เรียงลำดับต่อการเชื่อมโยงให้ถูกต้องและให้ครบถ้วนพูดสั้นๆว่าแม่นข้อมูลจับคำได้ครบจับความได้ตรงนี่คืองานของสติ เมื่อมีสติซึ่งทาหน้าที่ได้ดีมั่นใจว่านี่เราจําจับเอามาเรานึกทวนได้ความชัดตรงไม่ผิดจากที่ท่านสอนหรือได้บอกเล่าก็ก้าวสู่ขั้นที่สองขั้นที่สองเรียกว่าธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยพูดสันส้นๆว่าวิจัยวิจัยก็คือใช้ปัญญาพิจารณาฟั่นเฟ้นตรวจสอบสืบคน้น วิจยัยคำโบราณว่าเฟ้นคือเฟ้นหาความหมายที่แท้เฟนหาสาระสาคัญเฟ้นเอาตัวที่ตอบตรงเรื่องคือตัวที่จะเอาไปใช้แก้ปัญหาทำประโยชน์ น, นั้นๆได้รวมทั้งไตรตรองวิเคราะห์วิจารณ์สืบสาวเหตุปัจจัยอะไรต่ออะไรอยู่ในวิจัยทั้งหมดวิจัยเป็นคำสำคัญมากในพระพุทธศาสนาเป็นชื่อหนึ่งของปัญญา นี่ก็คือหนึ่งสติระลึกมาทวนระลึกนึกถึงเรื่องหรือจับข้อมูลขึ้นมาแล้วเอาสิ่งที่ระลึกด้วยสตินั้นมาเป็นตัวตั้งสองเอาปัญญาวิจัยนี่คือส่วนสำคัญที่สุดของโพชฌงหลักการตรัสรู้อยู่ที่นี่ต่อจากนี้ก็มีวิริยะปิติปัสสธิสมาธิอุเบคา พวกนี้เป็นตัวร่วมงานที่จะมาทำให้กระบวนการศึกษาดำเนินไปช่วยให้สติและวิจัยนั้นทำงานได้ถนัดคล่องเต็มที่ตั้งแต่วิริยะที่ทำให้งานแข็งขันจริงจังเดินหน้าจนกระทั่งถึงอุเบกขาที่ใจปลอดนิ่งให้สติทำงานคล่องและเป็นกลางไม่เอ็งเอียงไปตามความรู้สึกทำให้ปัญญามองเห็นได้ชัดโล่งตรงเต็มตามเป็นจริง เบกขาแปลว่าเป็นกลางคืออย่างนี้ไม่เข้าข้างไหนไม่ไปตามความรู้สึกไม่ว่าชอบใจไม่ชอบใจแต่มองตรงจึงได้ปัญญาแท้ไม่ใช่นิ่งเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่หลักก็เป็นอันว่ากระบวนการศึกษามีโพชงเป็นเนื้อตัวแต่องค์สำคัญคือสติที่ได้ข้อมูลมาเก็บรักษา และเอามาใช้โดยเอาสาธยายมาเป็นเครื่องมือทำงานการสาธยายทำให้สติทํำงานเต็มที่ในการระลึกนึกถึงจำไว้แล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญาวิจัยฟันเฟ้นพิจารณาวิเคราะห์สืบคน้นสิ่งที่เอามาตั้งไว้ให้นั้นเป็นอันว่าเข้าใจแล้วนี่คือสัจชายะหรือสาธยาย ซึ่งเป็นกิจกรรมในการเล่าเรียนของแต่ละบุคคลมีการท่องมีการทวนพวกเราเดี๋ยวนี้ก็ใช้ได้แม้จะมีสมุดจดไว้แล้วถ้าในใจทวนได้แม่นก็แสดงว่าเก่งยิ่งกว่าจดจดก็มาเป็นตัวที่ช่วยให้แม่นมันนี่คือสาธยายที่ใช้ในการศึกษาของบุคคลการศึกษานี้ก็คือการปฏิบัติธรรม ที่ชื่อว่าโพชงซึ่งเป็นองค์ของการตรัสรู้